สาธุสาธุนะจาไม่เลยว่าคที่ไหนสาธุสาธุการแบบนี้สาธุความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าสาธุความเป็นธรรมดีของพระธรรมเพราะเป็นธรรมที่นําออกจากทุกสาธุความปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายทุกคนก็สาธุสาธุสาธุแบบเข้าใจความหมายว่าดีแล้วดีแล้วดีจริงๆแต่สีลังกาพวกสีลังกาเขาอะไรนะสาธุดูคล้ายๆกันเลยเขาจะออกทอทหารเขาไม่ค่อยออกเอ้ทอทงก็ไม่ออกแบบแบบเราเนะ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 ดนตรีอันนี้ไม่ใช่ดนตรีร็อกอะไรพอที่มันสั่งเสริมอกุศลนะแต่ว่าเป็นดนตรีที่เป็นเสียงเป็นพุทธบูชาเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าการบูชาพระพุทธเจ้าปารบสีปารบเสียงปารบกลิ่นปารบรสปารบโหตภะก็ได้เพราะปารบสีเช่นดอกไม้ทั้งหลายที่มันดูงดงามเนี่ยนี่ถวายสีเป็นพุทธบูชาบางอย่างก็ถวายเป็นเสียงเช่นเสียงกลองเสียงดนตรีทั้งหลายตั้งแต่งตุ้งแต่งคนก็ชอบถวายระฆังเนี่ยนะยำเล็กระฆังก็ไปแขวนไว้ตามสาลาเป็นต้นเนี่ยนะ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 หรือบางพวกก็ปรารโภโพธิภะเช่นโอ้อาหารนี่เย็นดีร้อนดีกำลังดีเป็นต้นก็ไปบูชาปรารภสีเสียงเลี่ยนรถก็ได้พวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ปรารภเสียงเป็นพุทธบูชาในอากาศพวกเทวดาเหล่าเดินหนนี่เรียกว่าเดินห น, นว่าเดินบนอากาศแต่ไม่เห็นตัว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 คือสีลังกาเนี่ยรั้นทมมันเยอะนะนะดอกพวกดอกรั้นทมเนี่ยมันเยอะแล้วก็อินเดียก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังเยอะอยู่หรือเปล่าแต่บางแห่งเนี่ยอย่างเช่นแถวภาคภาคใต้เราเนี่ยจะมีดอกรั่นทมเยอะนะที่ที่ภูเขาที่มันหินเยอะกว่ดินอ่ะจะมีดอกรั้นทมเนี่ยขึ้นเยอะดอกช้างนาวดอกกระทุมดอกกระถินพี่มารดอกบุญนาคดอกเกศทั่วที่สานุทิตนะนะก็สรรหาดอกไม้ที่มันมีอยู่ในสําราก็เปลื่องผมมันนะ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 ไปให้พญานาคที่พระเจ้าอาโศกบอกว่าเนรมิตให้ดูนอยอย่างงี้นะในหน้า206จากนั้นท่านสุเบศบัณฑิตก็นอนนอนบนหลังเปลือกตมแล้วก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าเราพึงปรารถนาไซ่ถ้าต้องการนะเราก็พึงเป็นสังฆนวะกะพระภิกษุใหม่รูปสุดท้าย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 จากนั้นท่านก็ประชมุมธรรมะแปดประการพอดีลงนอนทาอภินิหารเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าคือตอนนั้นเนี่ยประชุมองค์แดได้เรียบร้อยเลยนะองค์8เช่นมนุษสตตังลิงคสัมปติเฮสุสัทธาราทสนังเนี่ยที่จะกล่าวต่อไปมีข้างหน้าก็ประชุมองค์แปดครบถ้วนสมบูรณ์เลยตั้งความปรารถนาอภินิหารแปลว่าความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า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 เราจากบรรลุพระสัพพัญยุตยานเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกประโยชน์อะไรของเราด้วยบุรุษผู้เห็นกําลังนะหรือผู้มีกําลังเนี่ยนะจะข้ามสังสาระสากรแต่เพียงผู้เดียวใครว่ามีมีกำลังขนาดนี้แล้วข้ามคนเดียวแม้มันก็การะไรอยู่ใช่ไหมออกรถมาขันมาเริ่มเลยนั่งคนเดียวอย่างเงี้ยเต็มถนนไปหมดมันก็การะจายอยู่ นั้นเราจาักบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วจักยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามสังสารสาครทะเลคือขันธาตุอายตนะเนี่ยข้ามยากที่สุดเพราะฉะนั้นจักบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าและช่วยให้สัตว์ทั้งหลายข้ามออกจากขันอายตนะถ้าเรียกว่าสังสารสาครทะเลคือขันธธาตุอายตนะเนี่ยนะ ด้วยอธิการบารมีนี้อธิการแปลว่าการทําวิเศษยิ่งการสละชีวิตเป็นพุ้ตบูชานอนคว่าหน้าลงบนแผ่นดินในเปลือกตมอันนี้เนี่ยที่เราบําเพ็ญในพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษผู้สูงสุดเราบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วจักยังหมูชนเป็นอันมากให้ข้ามสังสาระสาครเราตัดกระแสะแห่งสังสาระกําจัดภบสามได้แล้วจักสู่ธรรมนานวาคืออริยมรรค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 ธรรมชาติเราใดย่อมยังใจให้เศร้ามองให้เดือดร้อนเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ากิเลสมีสิบกองราคัราคะเป็นต้นนั่นเองนะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิพวกนี้เรียกว่ากิเลสเครื่องยังใจให้เศร้าหมองทําจิตใจให้เดือดร้อนเร่าร้อ น, น, นเนี่ยนะชาปเยที่บอกว่าถ้าปรารถนาเราพึงเผาชาปณะนะชาปณะกิจเผาโศพนะ ชาปนะคือทําให้ไม่ถ้าเราต้องการปรารถนาเราจะเผากิเลสให้ไม่เป็นจุนวิจุนขณะนี้แหละหลายคนบอกแหมทำไมไม่ถ้าถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเรานะไม่ปล่อยโอกาสนี้แน่นอน น, นะบทว่าอัญญตะกะวะเส น, นะเนี่ยนะได้แก่ด้วยเพศที่ไม่ปรากฏอัญญะตะกะแปล ว, ว่าไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะนะไม่มีใครรู้จักหรือว่าซ่อนตัวเองแบบแหม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 เราพึงบำเพ็ญพุทธกุรกะธรรมธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้ากระทำ ม, มหาปตาภีคือแผ่นดินให้วันไว้ในสมัยปฏิสนธิเพราะว่าขณะที่ท่านมาปฏิสนธิในพระคันก็แผ่นดินไหวประสูดแผ่นดินก็ไหวตรัสรู้แผ่นดินก็ไห ว, รรไวประกาศถ้าธรรมจักให้เป็นไปก็วันไหวมันจักเป็นผู้ตรัสรู้เองนะ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 หลุดพน้นจากสาครเนี่ยนะข้ามเองก็ตินโนตาเรยังใช่ไหมหลุดพน้นก็มุตโตโมเจยังเพรา ะ, ะ น, นเราข้ามเองแล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามด้วยเราหลุดพ้นแล้วก็จะให้สัตว์อื่นหลุดพ้นด้วยเนี่ยนะพุทโธโพเทยังมุตโตโมเจยังติโนตาเรยังเป็นต้นนั่นเองแล้วถามว่าเอาใค ร, ใครบ้างที่จะช่วยให้ข้ามโลกพร้อมทั้งเทวโลกอาธิกาเรณนะหมายาว่าแล้วเอกปรารถนามันไม่ยากใช่ไหม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 ถือว่ามันไม่มีการลงทุนไหนจะยิ่งใหญ่กว่าการลงทุนด้วยชีวิตอีกแล้วมันอธิการคือสละชีวิตเป็นพุทธบูชาครั้งนี้จงเป็นไปเพื่ออาจาราถาเขยกตัวยอย่างว่าพึงเป็นผู้ข้ามได้เองแล้วยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้ด้วยก็คือเตินโนตาเรยังมุตโตโมเจ ย, ยังแล้วก็พุทโธโพทยังเป็นต้นนั่นเองบทว่าสังราสังสาระโสตังกระแสแห่งสังสารเนนะโสตบรา ว, ว่ากระแสสังสาระก็คือ ขันทานังปฏิปาติธาตุอายตนานะจะอัพโชฉนนาวตมานาสังสารโรติปะุจจติเนี่ยนะคำว่าสงสารเนี่ยแปลว่าการท่องเที่ยวไปทางโน้นทางนี้ไปในกำเนิด4คติ5วิญญาณทิติ7และสัตตาวาด9ด้วยอำนาจกรรมตัวแทนของคำว่าวิบากเนี่ยนะวิบากเนี่ยคือสังวะตะัตตเนี่ยมีสามนะกรรมวัตวิปากวัตและกิเลสวัตเนี่ยนะ วั ต, ตะาสามในตัวนี้โดยเฉพาะกรรมวัฏคือกำเนิดสี่วิปากวัฏเนี่ยนะถ้าขยายออกมาแล้วก็คือพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้ากรรมนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสืบต่อให้วิปากวัฏเหล่านั้นเกิดขึ้นกรรมนี่แหละเป็นเหตุสร้างวิปากวัฏเหล่านั้นให้เกิดขึ้นแะอะไรเป็นตัวเชื่อมก็คือกิเลสทั้งหลายเพราะการท่องเที่ยวไปในกำเนิดคติวิญญาณทิติสัตตาวาส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 กระแสตัตนหาอันเป็นเหตุแห่งสังสาระสังสารวัตเนี่ยตัดจริงๆไม่ได้ตัดที่ผลแต่ถอนที่เหตุคือตันหาตโยภเวเนี่ยนะตะโยพระเวเนี่ยมาจากอาทิตย์กําจัดภพบสามได้แล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาเนี่ยนะเราตัดกระแสแห่งสงสารกําจัดภพบสามได้แล้วขึ้นสู่ธรรมะนาวา ธรรมนาวาเป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดจริงอยู่อารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นท่านเรียกว่าธรรมนาวาเพราะเป็นเครื่องข้ามจากโอคาซีแต่อภินิหารย่อมสําเร็จแก่ท่านผู้ปรารถนาะความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความประชุมพร้อมแห่งธรรมะ8ประการหมายคือว่าใครปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาะไปปรารถนาได้ไม่ห้ามการปรารถนาะแต่จะ สำเร็จจริงต่อเมื่อประชุมองค์8ประการหนึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์สัตว์ต่างสองสมบูรณ์ด้วยเพศลิงขสัมปติสเหตุ4พบศาสดาหบรรพชาหสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเจ็ดเมียที่การ8มีฉันทะอภินิหารเนี่ยเคยกล่าวมาแล้วใช่ไ้ย ใ, ในหน้า152ที่บอกว่าอภินิหารโร ค, ความว่าการผูกใจเพื่อความเป็น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 แต่ว่าระหว่างนั้นอาจจะกลับมาเกิดเป็นนาคได้ น, นี่ไม่ห้ามไม่เช่นภูริทัตตะสังคาปาละจำเปะยะเป็นต้นอันนี้ไม่ได้ห้ามอะไรแต่หมายใา้ว่าครั้งแรกที่จะประชุมคุณธรรมที่ทำให้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จนั้นต้องเป็นมนุษย์ก่อนสองลิงค์สัมปัติความว่าความปรารถนาย่อมสําเร็จแม้แก่ผู้อยู่ในอัตภาพเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นต้องเล็งคะคือต้องเพศชายไม่สําเร็จแก่เพศหญิง ไม่สําเร็จแก่บรรดาคนไร้เพศคนไม่มีเพศหรือว่าคนสลับเพศไม่ใช่เพราะอะไรก็เพราะว่าลักษณะไม่สมบูรณ์เพราะพระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ใช่สตรีคือสตรเีเป็นผู้หญิงก็ปรารถนาไม่สําเร็จเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ในภาวะชายผัสสตรีไม่ข้อที่พระอรหันต์จะเป็นข้อที่พระอรหันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสตรีไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาส เพราะฉะนั้นคนที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้สาเร็จต้องเป็นเพศ ช, ชายแล้วได้รับพุทธภรรกรไปแล้วท่านก็ไม่กลับไปเป็นหญิงอีกเนี่ย น, นะข้อสามเหตุตุเหตุคนที่ปรารถนาจะสาเร็จได้ต้องเป็นบุรุษที่ถึงพร้อมด้วยเหตุหมายคาว่าสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ในอัตภาพนั้นได้เช่นสุมเมศบัณดิตถ้าท่านปรารถนาะท่านจะบรรลุเลย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 แต่พูดถึงว่าไอ่ปรารถนาที่จะได้รับพยากรณ์ต้องปรารถนาต่อหน้าพระพุทธเจ้าถ้าครั้งนั้นผ่านได้ก็ครั้งหลังก็ไม่ใช่ปัญหาละถามว่าทำไมต้องปรารถนาต่อหน้าเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าก็เพราะพระปเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกไม่สามารถที่จะรู้ถึงพัพพัสตและอะภพพัสตรแล้วกําหนดยานเป็นเครื่องกําหนดกรรมกำหนดวิบากเนี่ยนะ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 แปลว่าสัทธาทัศน์นังต้องเห็นพระ อ, องค์ต่อหน้าข้อที่หปปปะชาความปรารถนาย่อมสำเร็จแม้แก่ผู้ปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องในพุทธสำนักอ่ะนะหรือต้องบวชหมายว่าต้องอยู่ในเพศนักบวชจะเป็นนักดาบดก็ได้ต้องเป็นกรรมกิริยวาทีอ่ะนะหรือจะเป็นพระพิสุสาวกก็ได้นะหรือเป็นพวกกรรมกิริยวา แปลว่าผู้มีทิฏฐิเชื่อกรรมเชื่อความพยายามกรรมมาก็คือเชื่อบุญเชื่อกำอ่ะนะแล้วก็กิริยาก็คือเชื่อการกระทําว่าการกระทําไม่เป็นหมันไม่ไร้ผลอันนก็คือมีกรรมสกตานั่นเองอย่างเช่นสุมเมธเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เป็นบนรรปะชิตเท่านั้นจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นเครื่องหับรรลุไม่ได้ เพราะว่าคนที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุ ด, ด้วยนักบวชหรือเป็นคราวาสบอกเป็นนักบวชเพราะฉะนั้นการปรารถนาต้องปรารถนาตอนที่เป็นนักบวชเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นบนรรปชิตคือนักบวชเท่านั้นในการตั้งปณิธานความปรารถนามาตั้งแต่แรกนั้นตอนแรกที่ปรารถนาต้องปรารถนาให้เป็นนักบวชก่อนคุณสัมปัติข้อที่หความปรารถนาย่อมสําเร็จแม้แก่บรรปชิตผู้ได้สมาบัติ8ดและอภิญญาห้าเท่านั้น ไม่สำเร็จแก่ผู้เว้นจากคุณสมบัติเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเป็นคนไร้คุณสมบัติจะไม่มีโพธิยามคือถ้าไม่มีอภิญญาห้าสมาบัติ8ดเนี่ยค้นคว้าบารมีได้เองไหคือกาลังคืออภิญยาห้าสมาบัติปดเป็นตัวเป็นตัวอะไรเป็นตัวฐานที่สำคัญในการค้นคว้าเลือกเฟ้นหาพุทธกรลกะธรรมเลือกเฟ้นหา พุทธธรรมสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องมีฐานฐานที่รองรับที่มั่นคงที่สุดในโลกคืออภิญญาห้าและสมาบัติ8ต่อไปอธิการูเนี่ยนะต้องเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายสละชีวิตของตัวเองเพื่อพระัตนะตรัยได้ความปรารถนาของผู้ที่สละชีวิตเพื่อพระตนะตรัยหรือเพื่อพระพุทธเจ้าได้อันเนี้ยจึงจะสาเร็จ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 คนที่ฟังปั๊บก็บอกว่าไม่สําคัญกิจนี้ทําได้ยากสําหรับตนโอ้แต่แค่นี้กระว่ามีใจประกอบด้วยอุตสาหะอย่างใหญ่อย่างนี้ว่าเราจะต้องว่ายน้ําข้ามห้องจักราวาล น, นี้ไปให้ถึงฟังถ้าใจนี่ใหญ่ขนาดนี้ได้ก็ปรารถนาความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่ผู้นั้นไม่สําเร็จแก่คนนอกนี้ก็คิดดูว่าจมในทะเลว่ายน้ําข้ามทะเลได้ก็แล้วกันขณะยังไม่เห็นฝังเลยฟังมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่ายถูกฝังบัางหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ท่านก็ว่ายก่อนละ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 ว่าดาบทผู้นี้ทำมาพิณิหารเพื่อปรอเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านอนลงแล้วความปรารถนาของเขาจักสำเร็จหรือไม่หนาพระองค์ก็พิจารณาทบทวนดูก็ทราบว่าล่วงไปผ่านไปสีอสงไขยกำไรแสนกับนับแต่กับนั้นน่ะนะขณะนั้นน่ะเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามวโคตมะประทับยืนพยกรท่ามกลางบริษัทว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายอัเรียกพระพิสูสี่แสนรูปเหล่านั้นว่า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 ดาบทผู้มียานกล้าจาักออกมหาพิเนศสกรมตั้งความเพียรอย่างใหญ่รับข้าวมาทุกปลายาตที่นางสุชาดาถวายที่โคนต้นใสโคนคนต้นนี้โครดเนี่ยนะสเสวยที่ฟั่งแม่น้ําเนรัญชราแล้วขึ้นสู่โพที่มันทสถานจักตรัสรู้ที่โคนต้นโพใบต้นอสัทธพฤกโ ค, คนโพใบเนี่ยนะแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวให้ภาษาดีบรฟังว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรผู้รู้โลก โลกวิทูเนี่ยนะทรงรับทักษินาประทับยืนใกล้ๆศีรษะได้มีพระพุทธรัมรัากระเราดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูชดินดาบทผู้นี้ซึ่งมีตะบะสูงจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกลับซึ่งนับไม่ได้ตั้งแต่กลับนี้ไปแตถาคตจักเสด็จออก จากกรุงกบิลพัทที่น่าเรื่อนรมทรงตั้งความเพียรทำทุกระกิริยาพระตถาคตประทับนั่งณโคนต้นอาชปาละนิคโครสรงรับข้าวมาทุกปายาตณะที่นั้นแล้วเสด็จสู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราสแสดงว่าเหตุการณ์เหล่าใดเหล่าใดทุกอย่างพระพุทธเจ้าพิจารณามหมดแล้วฮะอย่างพวกเรามานั่งเรียนนี่คิดว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมนรู้ไหมคิดเอากนแลวกันนะ ถ้าพระ อ, องค์รู้เนี่ยพระองค์จานุโมทนาหรือกรุณาเออทำไมมันเป็นองนั้นไปได้นะจริงอะทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระ อ, องค์ไม่รู้ร้องอกเหมือนกันฮหลอกใครจะหลอกได้คือหมายความว่าคือคือของเราไม่รู้ก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นไม่จะไม่รู้ด้วยถึงเราไม่รู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไม่รู้พระพุทธเจ้าในอดีตในอนาคตทั้งหมดรู้หมดแล้วว่าเราทําอะไร นะนะแล้จะไปจบที่ไหนอะไรยังไงแต่เรารับผิดชอบตัวเองนะเพราะพระพุทธเจ้ารู้แต่เรารับผิดชอบเราเองนะเธอแล้วก็พระองค์ก็เลยสามารถที่จะพยากรณ์ได้ทุกเรื่องนะแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์นะพระองค์จึงพยากรนะเล่าต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าถ้าชินเจ้าพระองค์นั้นสเสวยมัทุปายาที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราแล้วเสด็จเข้าสู่โคนโพพฤกตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งไว้แล้ว ต่อนน้นพระผู้ยอดเยี่ยมมีพระมหายศทรงทำประทักษิณโพที่มัณฑสถานจักตรัสรุณโคนโพใบพระชนนีพระพุทธมารดาของดาบทผู้นี้จักมีนามว่ามายาพระพุทธบิดาจักมีพระนามว่าสุทโธธนะดาบทผู้นี้จักมีพระนามว่าโคตมะโกลิตะและพระอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นแลว้ว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 คือว่าสมควรแก่เวลาหน่อยนะก็อยากให้กล่าวรัตนสูตรก่อนที่จะนะให้เพื่อความสวัสดีมีชัยประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปกันนะดูรัตนสูตรหน้า5หน้า56